ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่หกโดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่27กันยายน2554มีชื่อเรื่องว่าข้ามน้ำมาฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระ แรมสิบห้า่ำเดือนสิบตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้ยห้าสิบสี่วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอีกสองวันพระข้างหน้าเนี่ยก็เป็นวันวันออกพรรษาหลวงพ่อเองย้ำแล้วบอกอีกว่าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ย ในสามเดือนที่พวกเราตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เนี่ยพวกเราได้ขาดตกบวกพ่องอะไรไปบ้างแต่ขาดอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรถ้าขาดสัจจะเนี่ยมันหน่าคิดเหมือนกันเพราะนั้นอย่าให้ขาดในการตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ถ้าว่าขาดครั้งนี้ครั้งต่อไปก็ขาดอีกก็โกหกตัวเองไปเรื่อยๆจนคนไม่มีสัจจะ หาสัจจะไม่ได้หาความจริงจังไม่ได้พอตั้งสัจจะมาจะเดื้อนล้มละเนระนาดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนที่ตั้งจะจัดจักระธิฐานเราก็ต้องกันกรองไตรตองต้องฝืนใจตัวเองมากพอสมควรอย่าให้ขาดตาว่าขาดสัดจจะไม่ดีแล้วต่อไปก็จะขาดเรื่อยในเมื่อมันขาดแล้วก็ เราก็ควรจะเพิ่มเติมให้มันเตบตึ้งขึ้นจะเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ได้เราพยายามเต็มที่ในเมื่อมันขาดอันนั้นก็สุดวิสัยส่วนมันสุดวิสัยเพราะอะไรเพราะความขี้เกียจความอ่อนแอของเราใช่ไหมหรือความไม่เอาทานของเราใช่ไหมหรือเราตั้งมาตรฐานให้ตัวเองสูงเกินไปอย่างนั้นใช่ไหม สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้ทบทวนต้องดูเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจะรักษาศีลวันทุกวันพระหรือถัดรักษาศีลไม่ให้ขาดในไตรมาสสามเดือนรักษาศีลห้าตลอดหรือเราจะทําบุญตักบาตรทุกวันหรือทุกวันพระมีมากมายหรือจะเราจะงดอ โกกยาของมืนเมาบัญชายาฝิ่นเฮโรอีนสุราบุหรี่เะเราตั้งจิตอธิษฐานได้ไหมขอให้พวกเราทุกท่านเข้มงวดขวดขันกับตนเองอย่าไปปล่อยปะละเลยคนที่จะดีได้ต้องอาศัยการฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองไม่ใช่ว่าจะดีเอาเลยไม่ใช่นะถึงจะตั้งว่าเด็กชายดีก็เถอะ เด็กตั้งชื่อมาแต่วันเกิดก็เถอะดีแต่ตัวเองทำชั่วมันชั่วไปตลอดเหมือนกันนะถึงจะเรียกนายชั่วก็เถอะถ้าตัวเองทำดีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดรู้จักเรียงสาภาวะขึ้นมาแล้วก็เป็นคนดีได้ทั้งนั้นถึงจะตั้งชื่อนายชั่วก็เถอะนี่แหละมันไม่ดีมันไม่ดีดีกับชื่อเท่านั้นเองมันดีคือความประพฤติปฏิบัติของตนเอง พันธ์ขอให้พวกเราทุกๆท่านที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อหรือพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ณขณะนี้ก็ให้ตั้งใจเป็นคนดีให้มีสัจจะในหลักของพระพุทธศาสนาในคารวัตธรรมธรรมของคารวาตสี่อย่างสัจจะขึ้นต้นขึ้นเบื้องแรกสัจจะคนเราต้องมีสัจจะ ถ้าคนขาดสัจจะคนไม่มีสัจจะทําอะไรเหลาะแหละไปหมดจะเป็นคนดีไม่ได้ทำของคราวาสสี่อย่างสัจจะธรรมะให้รู้จักขม่มจิตของตนในเมื่อใจของเรามันแล้วก็เพิ่มวโมโหโกรธให้แก่ใครก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเราต้องข่มเอาไว้ธรรมะให้รู้จักขม่มจิตของตน และก็พร้อมกันก็ให้มีขันติคือความอดทนคนที่คนเราจะอยู่ด้วยความราบรื่นทุกอย่างคงเป็นไม่ได้โลกอันนี้มันมีร้อนมีหนาว อ, อมีหิวมีกระหายมีคนดุดาว่าเกาวมีคนยกจ่องสนรเสริญมันมีหมดทุกอย่างเราต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต้องเราต้องมี ขันติคือความอดทนไว้จากนั้นก็นจาคะให้รู้จักเสียสละเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้จักเสียสละรู้จักทําบุญทําทานต้องยินดีให้อภัยอภัยทานอาิรทธธานวิทยาทานมีมากมายบรรยายไปแล้วก็วิทยาทานคืออะไร คือให้ความรู้ความฉลาดแต่ล ะ, ะแขนงแต่ละวิชามีมากอภัยทานกเือนกันที่เขาร่วมเกินเราเราไม่พอใจเราก็ให้อภัยเขาละอามิสทานการสละสิ่งของให้แก่คนอื่นให้เป็นให้เป็นประโยชน์แห่พ่อแม่ให้เรามาอย่างไงสมัยเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ให้ทานะให้แก่ลูกในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา เราก็พร้อมที่จะเสียสละให้แก่พ่อแก่แม่ฐานะให้พ่อแม่ข้าวน้ําโภชนาอาหารของใช้ปัจจัยสี่เงินคำทรัพย์สมบัติที่จําเป็นจะต้องท่านจะต้องได้ใช้แล้วก็มีฐานะบริจาคคืนให้แก่พ่อแม่อันนี้ก็คือฐานะจําเป็นในที่ทุกสถานเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเลยว่า คารวะธรรมธรรมของคารวะเนี่ยคารวะจะคืออุบาสกอุบาสิกายมผู้หญิงโยมผู้ชายคือพวกเราท่านทั้งหลายเนี่แหละให้มีธรรมประจําใจสี่อย่างสัจจะอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะธรรมะให้รู้จักข่มใจใขันติให้มีความอดทนจาขะให้มีการรู้จักการเสียสละต่อบุคคลผู้มีอุปการะคุณสําหรับเรา นี่หละอันนี้คือธรรมของครวาตการเป็นอยู่จากนั้นก็เรื่องศีลคือกฎระเบียบการเป็นอยู่จากนั้นเรื่องภาวนาแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำเรื่องการภาวนาเรื่องภาวนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพู้อย่างนี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะ ภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของ จ, จิตใจเป็นเรื่องวิถีชีวิตเป็นแนวความคิดทางด้าน จ, จิตใจถ้าจิตใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิคิดถูกแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นไปหมดดีไปหมดถึงโลกจะเป็นยังไงใจของเราบริสุทธิ์จุดพ้นแล้วนั่นแหละมีความสุขอยู่ในป่าดวงโพลไพถึงจะไม่มีอะไร ก็มีความสุขสุขหนอสุขหนอพูดได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเราอปล่อยวางใจของเรารู้จักวิธีการวางแต่ถ้าใจของเรามีแต่แบบทุกข์อยู่ตลอดมีเรื่องอะไรเข้ามาแบกไว้อยู่ตลอดใจของเราก็มีแต่ทุกข์ทุกทุกข์ทุกอยู่อย่างนั้นน่ะ ทั้งยืนทั้งน อ, นอนอนทั้งยืนทั้งหลับทั้งตื่นตื่นไปก็ระเมอเพ้อฝันเพราะมันมีทุกข์อยู่ในใจแต่ถ้าว่าเรามีธรรมเข้าสู่จิตใจรู้จักวิธีการปรับจิตใจของตนเองคือภาวนานี่แหละหลักเพราะภาวนา เ, นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเน้นหนักสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้า ในครั้งพุทธกาลพระกระองค์ตอนเย็นท่านจะแสดงธรรมเทศนาให้แก่อุบาสุกอุบาสิกาได้ฟังพอถึงเที่ยงคืนท่านก็โปรดเทวดาปจวนสว่างท่านก็มองตรวจตาดูสัตวโลกทั้งหลายที่พระองค์จะได้ไปโปรดมีไหมเนี่ยห่ะภารกิจของพระพุทธเจ้าแต่ละวัน นี่แหละอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเรื่องจิตภาวนาทำยังไงเริ่มต้นเริ่มต้นในการนั่งสมาธิหลวงพ่อเคยแนะนำตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่คือการปฏิบัติธรรมอันดับแรกแต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทำไหว้พระสวดบนเมื่อกี้เนี่ย ถ้าสวดได้อย่างนี้ทุกวันก็ดีพอมีเวลาว่างเราก็สวดสวดอย่างที่พวกเราสวดเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างนี้เราสวด ย, อย่อๆก็ได้阿拉หังสาวาคะโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะสามจบจากนั้นก็พทุทธังธรรมังสังขังสรานัชฌามิจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาอะหังสุขิตโตโมินิตตุโหมิ ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็พูดเป็นภาษาใจของตนเองเลยข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุจะเป็นวิญญาณผู้สูงสัก์เร็อผู้ต่ำต้อยอะไรก็ตามที่มองไม่เห็นที่มองเห็นที่มองไม่เห็นหรือสัพพสัต์ทั้งหลายที่มีวิญญาณคลองสิงทั้งอยู่ในร่างกาย ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรวิญญาณทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนี่อันนี้แหละคือแผ่เมตตาแล้วนี่ให้เขาเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจัตุร์ญ์วิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการดังที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือทำให้จิตใจของเราอ่อนโยน ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทกับใครๆทั้งหมดยินดีให้อภัยต่อทุกวิญญาณเพราะการผูกพยาบาทอาฆาตเจ็บใจเจ็บแค้นต่อเรื่องใครก็ตามมันเป็นเรื่องของทุกทางนั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีตะเวนมีตะภัยจะตามมาแต่ถ้าพวกเราให้อภัยถ้าว่าดูดูแล้วมันอยู่ใกล้เราเราก็พยายามหลีกหลีกลีหนีให้ห่าง เหมือนกับเราไปเห็นสัตว์ที่มันดุร้ายต่อแดนเราจะไปใกล้มันทําไมมันจะต่อยเรามันจะทำร้ายเราเราก็ต้องหนีให้หา่างนี้ก็เหมือนกันแทนถ้าว่าคนใครก็ตามถ้าดูแล้วมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับเราเอะเราก็ต้องหนีให้หา่างอย่าไปใกล้อย่าไปเสียวนาใ ห, ให้หา่หางห่างเอาไว้หลอวภาลชนอ่ะไม่ควรจะเข้าไปใกล้ ในใจของเราท่านเราไม่ได้ปลูกอาฆาตพยาบาทเรายินดีให้อภัยแก่ทุกปัญญาแต่ว่าเราต้องมองดูถึงสายสิ่งภายนอกเราต้องมองดูเป็นพิษเป็นภัยอย่างไรอันนี้เราไม่ใช่เราแผ่เมตตาแล้วก็ไปยืนให้ต่อให้แทนต่อยอย่างทั้งวีทั้งวันเอจากั้นมันไม่ใช่มันก็ไม่ถูกอันนั้นก็จัดว่าโง่อีกเหมือนกันเราต้องรู้จักปรับตัวรู้จักวางตัว เมื่อให้เมื่อแผ่เมตตาแล้วก็นนะ่ะเราจะอยู่ในสถานะไหนเราจะอยู่อย่างไรห่างไกลอย่างไงอันไหนเป็นบัณฑิตอันไหนเป็นนักปราอันไหนเป็นภาลชนอ่าอันไหนจะเป็นพิษเป็นภัยกับเป่าตัวของเราเราต้องรู้จักเราต้องเรียนรู้เรื่องของสัพสัดเรื่องของคู่คนทั้งหลาย อันนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านไมใ่ให้ใสื่อบื้อโง่โง่เซ่อเซอไม่ใช่นะท่านรู้จักให้รู้จักรู้จักหลบรู้จักกลี่นจะอิเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาอย่างเนี้อเสวนาจะพาลานังไม่ให้คบบันแต่ไม่ให้คบคนพานภารชนอย่าไปคบค้าสมาคมเขาเน่อถ้าคบค้าสมาคมกับภาละชน ถ้าคนคบอคนที่ดื่มโุราอีกสักวันหนึ่งเราก็เป็นเป็นเพื่อนกับเขาผลทจุดเราก็เป็นผู้ดื่มโุราถ้าเขาขายยาบ้ายามา้าคัญชายาปิ่นอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องตามเขาอีกขายอย่างเขาอีกถ้าเขาเป็นคนเอเล่นการพานันอีกสักวันหนึ่งเราก็คบกับเขาเราก็เป็นผู้เล่นการพานันต่อไปเมื่อ เขาเป็นโจรผู้ร้ายอะต่อไปถ้าเราครบกับเขาต่อไปเราก็จะเป็นผู้ระผู้ร้ายผู้ร้ายกับเขาเลยนี่แหละหลักของพระศาชาชนายอภิเสวนาเจพาลาดังบัณฑิตตานันจะเสวนาคือให้คบบัณฑิตนักปราชัยบัณฑิตนักปราชัยหลวงพ่อเคยยกบัณฑิตนักปราชัยคือใครก็ ค, คือสินห้าของพระพุทธเจ้าให้พวกเราครบเถอะปฏิบัติตามสินห้าของพระพุทธเจ้าและมีแต่ความ ร่มเย็นเป็นฉุกนีส่วนบันติตข้างนอกไม่ก่อพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมที่ท่านแนะนําสั่งสอนเราก็ดูดูศึกษาท่านสอนแนะนําอย่างไรอันนี้ก็คือท่านเอาเอาทำมาแนะนําสั่งสอนพวกเราเราก็ฟังแล้วจากนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคาสอนที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนี่ยวบันติตนักปราช นี่แหละอันนี้ก็คือการครบค้าสมาคมการแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลกทั่วไตรโล ก, กธาตุเนจากนั้นเราก็เมื่อนั่งเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็กราบตํ่ำถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังฮะข้าพรเจ้าอกราบพระว่ายพระ อ, อปฏิบัติบุบญกุศลถึงจะมากหรือน้อยก็ตาม ข้าพเจ้าหวังพรนะนิพพานเพื่อจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกเพราะการเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้เดี๋ยวไปเจอเรื่องนั้นแล้วก็พบเรื่องนี้สิ่งที่ไม่พึงปาถนาบีมากต่อมากในโลกเแต่ถ้าว่าเราเกิดขึ้นมาเราต้องพบต้องเจอบางพบบางชาติคือเจออย่างหนักหนักบางพบบางชาติก็เออเอาผิวเผิน แต่ถึงยังไงก็ไม่พึงปรารถนาอย่างที่พระพุทธเจ้าจะทํายังไงเราจึงจะไม่เกิดต้องชําระใจกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจนั่นแหละจะไม่เกิดจิตเราจึงปรารถนาว่าเราต้องการให้พ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนะว่ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูงฆ์จากนั้นก็นิพพานังปรารถนาถึงพระนิพพานถ้าผูใ้ใดก็ตามปรารถนา เรื่องราบเรื่องยศเรื่องสนเสริญอยู่นะอันนั้นเรียกว่าปรารถนาในวัดตวนันการเวียนไหวตายเกิดอันนั้นเป็นปราถนาที่ไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาถ้ามีความปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าจะได้มาเกิดในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าถึงแดนพนิพันธ์โดยเร็วอันนั้นแหละคือปราถนาสูงสุด ในทางของในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเวลาเราจะนั่งภาวนาทุกวันเราไหว้พระขอนหรือทำวัดเจ้าขอนอย่างที่พวกเราทําวันเนี้ยถ้าไม่ได้ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดทําวัดยนต์จอจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิได้นั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอีก็ตามความเหมาะสมใช่วหมคนเราจะนั่งพับเพียบก็ไม่ได้บางคนมันปวดเขา่า หรือเข่าหมอก็มาให้นั่งหรือว่านั่งพับเทียบไม่ได้เราก็นั่งเก้าอี้แต่ถ้าว่าหมอไม่ได้ห้ามอะไรเราจะไปคิดนั่งเก้าอีท้ทีเดียวไก็ไม่ถูกนะอพอแม่ครูบายอาจารย์ท่านให้นั่งฝัดสมาธิในที่แลโล่งแจง้งเพื่อมาให้มันฮ่วงมันหลับในขณะที่นั่งจากนั้นพอนั่ง ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วเหมือนพระประธานเนี่ยท่านนั่งอยู่เนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยจากนั้นพอนั่งเสร็จแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่างอกไหวค้ครูซะก่อนจะเลืกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังทโฆ ส, ส, สามจบจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงเราจะแผ่เมตตาอีกสกรอบหนึ่งก็ได้แต่ก่อน เราไหว้พระจบเราก็แผ่เมตตาจังหวัดนี้เราจะนั่งภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาอีกให้ถ้าเราทำใจให้วอกว่างทําใจให้ปล่อยวางใจของเราไม่ไม่ให้คิดปูงปุ้งไปทางอื่นอกําหนดหายใจเข้าข้าพเจ้าจงเป็นสุขหายใจออกผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขฮะจักชั่วระยะหนึ่ง จากนั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเท่นี้นี่แหละวิธีการภาวนาอันนี้คือพวกเราท่านทั้งหลายไปทำานะัชฐานที่ใดอันนี้คือความถูกต้องตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายองค์ที่หลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราไปทำที่ไหนถูกหมดทำอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่นะแล้วมันผิดที่ตรงไหน พวกเราคิดดูสิถ้าใครอยากจะถามหลวงพ่อก็ถามได้เมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วนะแต่ถ้าว่ามีความสงสัยอย่างไรในขณะที่ปฏิบัติแต่ตามไม่จริงเนี่ยหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อเคยศึกษามาอย่างนี้กูบาอาจารย์ท่านก็นแนะนําอย่างนี้แต่โดยมากกูบาลอาจารย์ไม่ต่ว่าให้ภาวนาพุทโธหรอเท่านั้นน่ะท่านไม่ได้เรียงลาดับให้ฟังว่าก่อนที่จะภาวนาพุทโธนั้น เรียงลำดับยังไงห น, นึ่งสองสามนี่ยปนพ่อจึงได้เรียงลำดับให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาให้ทั้งอกตั้งใจแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาอย่างพิวานะอันนี้แหละเราภาวนาพุทโธพุทโธเนะี่ยเป็นกุญแจดอกสำคัญเเป็นกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่มรรคสู่ผล ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขั้นต่อตอนต่อไปถ้าคนเราถ้ามีสติถ้าขาดสติสี่อย่างเดียวนั่งขึ้นไปก็เออลงเหยไปที่ไหนก็ไม่รู้ลอยลมไปที่ไหนก็ไม่รู้อั น, นั้นเราจะภาวนาจะหวังมกักหวังผลนะมันมันยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะ เ, เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่า ง, งยิ่งเวลากําหนดเข้าไปก็กําหนดลมหายใจเข้า พุทธายใจออกโธพุธโทพุทธโทแต่พระพุทธเจา้าบรล ม, มะครูของพวกเราท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นท่านไม่ไม่ได้บริกรรมพุธโทแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์พรกะกรรมฐานยุคนี้ท่านแนะนำสั่งสอนท่านบอกว่าหายใจเข้าพุธหายใจออกโธแต่บางคนก็เคยภาวนายุคหนอพองน้อ เนี่ยได้ไหมหลวงพ่อเอาก็ได้แต่ถ้าว่ามาฝึกสายหลวงปู่มั่นเนี่ยดูซิพุทพุทโทเนี่ยจะดีกว่ามั่งแต่ตัวนั้นก็ไม่ผิดมันกายเวทนาอกายยานุ ป, ปัชนาสติปัฏฐานเหมือนกันอันนี้พอกําหนดลมหายใจเข้าออกกายยานุ ป, ปัชนาสติปัฏฐานเหมือนกันไม่ไม่แปลกแตกต่างแต่ว่า ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนท่านสอนลูกศิษย์เราควรจะฟังท่านเพราะครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นพระมหาเถระที่น่าคเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะเหตุไรเมื่อท่านหวงรับดับขันท่านตายไปพูดง่ายงายท่านหลวงรับไปตายไปุกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุ กระดูกกลมเป็นเม็ดคือท่านเป็นพระอรหันต์แล้วะท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเพราะทำคำสอนของท่านที่ท่านประสิทธิ์ประสาทออกมาเนี่ยหน้าเคารพหน้านับถือเรื่อมใสเราก็ควรจะเดินตามแนวแถวที่ท่านได้สอนท่านสอนเอาไว้จากดวงตาทำไมตอนที่ท่านจะได้หลักได้กดได้เกณฑ์ท่านก็บอกว่าท่านกำหนดลมหายใจธรรมดาแต่ว่ามันไม่อยู่มันหลุด มันหลุดออกได้ไง่ายๆท่านก็นเลยกําหนดอย่างเข้มงวดกวดขันเถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธเดินไปที่ไหนขาขวาพุทธขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโธเวลาเดินบินธบัตขวาพุทธขาซ้ายโธเดินบินธบัตมีสติสัมปชัญญะบังคับเถอะ แต่การบังคับจิตใจในช่วงนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากจริงๆทำไมในสามวันแรกเนี่ยวันที่หนึ่งที่สองโอ้โหเออคล้ายๆกับว่ามันงานไหนหนักในโลกเคยทํามามากต่อมากแต่สู้การบังคับจิตใจของตนเองไม่ได้ดังว่างานหนักมากนานงานที่จะบังคับจิตใจตัวเองให้อยู่กับกรรมฐานแต่แต่ก็พอฝึกได้แล้ว แม่มันบร ม, มัตสุขทำงานี่ยขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าการฝึ ก, กจิตไม่ใช่ของง่ายๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราฝึกมาไแน่ะเออมันไม่ใช่ธรรมดาอย่างพวกเราฝึกเดี๋ยวนี้ปวดแข่งปวดขาปวดหลังปวดเอวมันสารพัดปวดแต่อยู่แต่ก่อนมันก็ไม่ปวดนะพอเรานั่งเอาที่เข่าที่เข่าทางเท่านั้นแหละพยาบาลไม่รอดตัวเล็กตัวใหญ่พยาบาล มันมาทํำปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมันสลับวุ่นวุ่นวายไปหมดสับสนไปหมดคนฮะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสในใจของเราเนี่ยมันต่อต้านมันไม่อยากจะให้เราสร้างคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ฮะต้อง ส, องสู้กับความเจ็บปวดนั้ น, น, นเบรทานานั้ น, น, นพอเราสู้เอาชนะมันได้แล้วนั่นเราจึงเห็นเห็นหน้าเห็นตามันจะโอ้ อมันไม่อยากจะให้เราสร้างคุณงามความดีจริงๆจีเลต์ไ ง, ง, ง, งนี่แหละคะเมื่อเราชนะมันแล้วนะเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจพันธ์คอให้พวกเราทุกๆท่านนะฝึกนะเรื่องจิตตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฝึกภาวนาได้แล้วเนี่ยต่อไปภายภาคหน้านเมื่อเท่าแก่ชะลา เรื่องเราอยู่ตามลำพังไม่มีลูกมีหลานเข้ามาเกี่ยวข้องเรือเราเรานอนป่วยอยู่ห้องไอซูคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็มีที่พึ่งโลมใจของเรามีที่พึ่งที่พึ่งคืออะไรคือทำทำเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจจะไม่ว้าวอ้างว้างไม่เงียบเหงาซึมเศร้า อ, อ, อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เออเราเกิดมาคนเดียวเราตายก็ตายคนเดียวใครจะไปตายกับเราเราเกิดมาคนเดียวเนี่แหละ อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ห้องไอซคนเดียวนอนนิ่งเงียบอยู่คนเดียวนี่แหละเราต้องฝึกเอาไว้ถ้าเรามีธรรมอยู่ในใจแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่ทุกข์เราไม่ทุกข์กับใครเราเกิดมาเพราะกรรมกรรมของเรากรรมของเราพามาเกิดแล้ว ก, กรรมของเราพาไปชีวิตของใครของเราของใครกอรับของของคนนั้นไปแบ่งกันไม่ได้ อแต่จะแบ่งได้ก็คืออการแบ่งบุญแบ่งกุศลนี้ก็มาได้ยินพระในครั้งพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์ชั้นเดชเสด็จดดประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะอันนี้คือการแบ่งบุญนะการแบ่งบุญพวกเราฟังฟังเลยสิพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีตอนเย็นพระองค์แสดงธรรม แกพุทธบริษัทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน ะ, ะพระองค์แสดงธรรมแก่พุทธบริษัทสี 4, อ่อุบาสกอุบาสิกาทิจูต ส, สำมเนิมาฟังธรรมตอนเย็นแต่มีอุบาสกท่านหนึ่งที่ท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็อยากจะมาฟังเทศตอนตอ น, ตอนเย็นท่านก็เดิน mm. เดินทางมาถึงแม่น้ําอเจลวดีพอมาถึงแม่น้ําท่านข้ามไม่ได้ เพราะมันเป็นแม่น้ำํำท่านไม่มีเรือเพราะเรือมันมาทางนี้หมดพอมา้เขาไม่กลับไปมาเขาก็มาฟังเทศพระพุทธเจ้าจนฟังเทศจบเขาจึงจะเอาเรือกลับแต่อุบาสกคนหนันกยากจะมาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตัก็เดินเรียบไปเรียบมาในใจของท่านก็ลำลึกถึงพระพุทธเจ้านึกในใจถึงพระพุทธเจ้ายึด พระพุทธเจ้าพระไตรสานคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เช็ดดูรู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิญานิจธรรมพระสงฆ์สาวกของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าพเจ้ายึดเป็นพุทธธรรมสังฆะสนะนางคัดฉามิปีติเกิดท่วมท้นในจิตใจของท่าน มีความสุขไป็มีปีติอย่างลึกซึงท่านก็เดินลงไปในน้ําพอเดินลงไปในน้าเหมือนกับ น, น้าแข็ง ท, ท่านเดินได้พอเดินได้ท่านก็เดินต่อไปอีกจนไปถึงกลางแม่น้ำมันมีคลื่นขึ้นมาคลื่นใหญ่ขึ้นมาเอ่ท่านก็คิดคาว่าตกใจเพราะตกใจมันเคลื่อนมันเคลื่อนจากการที่ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฺ จากนั้นมันทามันเหมือนกับน้ำมันอ่อนเลยไหมมันจะหยุงมเออมันลงไปแต่ท่านก็พยายามบางังเอาสติเข้ามาอยู่กับตัวเองอีกยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกในจิตใจผลที่สุก็เลยผ่านเดินผ่านไปได้เออผ่านแม่น้ำไปเข้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นท่านนีญาณทัศนะาอยู่แล้วท่านก็รู้อะไรเป็นอะไรท่านก็ถามว่าอุบาสก เป็นไงการเดินทางมาสะดวกสบายดีนะไม่มีอะไรนะโอ้ข้าพระองค์เดินทางมามาถึงฝั่งแม่นะ้ำไม่มีเรือข้าพระองค์ก็เลยล้ำลึกยึดพระไตสรสาระคมล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งในจิตใจก็เลยทำให้ข้าพระองค์เหยียบแม่น้ำมาเดินมาได้พระเจ้าขา่า พระสงฆ์เอออุบาสกเ่ยไม่ใช่จะมีเพียงเท่านี้นะในอดีตชาตออิก็มีอยู่อุบาสกอย่างอย่างเธอเนี่ยนะทาที่คิดทำอย่างเธอที่มีอยู่ออพระสงฆ์ทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายก็ถามาสมัยไหนพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าสมัยหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะก่อนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น คือองค์กรคือพัตตกับนีม่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กกุจันโทโกณคมาโนกัสจปโหนองที่กัจจปโหนแล้วก็โคตะโมคือพระพุทธเจ้าของเราจากนั้นก็นจะเป็นพระพระศีอริยเมตโยองค์สุดท้ายคือองค์ที่ห้าแต่พระพุทธเจ้าของเ่าโคตะโมโคตมะโคตโคตมะโค ต, โค ต, โคตนะกัจโปโหนคะือพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนสองหมื่นปีพระองค์บอก บอกว่าสมัยนั้นมีอุบาสกท่านหนึ่งได้สําเร็จพระโสดาบันแต่จะไปทำมาค้าขายทางข้ามทะเลก็ได้เรือได้เรือแล้วจะข้ามทะเลไปทํามาค้าขายแล้วก็มีในช่างตัดผมคนหนึ่งในช่างตัดผมที่รู้จักมักคุ้นกัน จะไปทามาค้าขายด้วยแต่ภรรยาของนายช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าอุบาสกเกยเ่สามีของข้าเ่ยถึงยังไงยังไงตกทุกข์แต่ยากยังไงขอฝากไว้ให้ท่านดูแลด้วยนะเนาะแข้าพเจ้าขอฝากสามีไปกับท่านขอให้ท่านดูแลด้วยถ้ามีอะไรขอให้ดูแลสามีของข้าพเจ้าด้วยอุบาสกเออ จากนนก็เลยนั่งเรือนั่งเรือไปไปพอไปถึงกลางหมหาสมุทรเรือแตกเลยพอเรือแตกไปนี่เหลือล่มแต่นนกับอุบาสกกับนายช่างการบกได้ไม้กับกระดานแผ่นหนึ่งแอบไปวเกาะไม้กระดานแผ่นนั้นแล้วแต่ไม้มันจะพาไปผลสุดมันก็เสือกไปเห็นเกาะไปเห็นเกาะอย่งอ ย, งอยู่กลางทะเลก็เลยเข้าไปเอาไม้เข้าไปหาเกาะ พอขึ้นไปเกาะนั่นแหละท่านี้มันไม่มีอาหารจะกินเลยนายช่างกันบบกเป็นผู้ไม่มีสินแต่ว่าอุบาสกนี่ยเป็นผู้มีสินห้าแต่ในนายช่างกันบบกนี่ครับไปจับนกเนยลูกนกไข่นกเออมาแล้วเอาไม้สีไฟนทําให้เป็นกองไฟฟืนขึ้นมาเนี่ยครเป็นอาหารแต่ว่าข่า ฆ่านกฆ่าสัตว์เนี่ยอ๋อให้อุบาสกคนนี้กินอุบาสกคนนี้ไม่กินไม่น่าจะถูกต้องถ้าไปกินสัตว์เข้าไปก็เดี๋ยวทาให้เขาถ้าเขากินคนเดียวเขาจะกินอาจจะนกตัวสองตัวมั น, นอาจจะอิ่มถ้าเรากินเข้าไปมันก็ต้องสี่ตัวหกตัวเข้าไปอีกอุบาสกตัวนี้ไม่กินเพราะท่านเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่ทําความชั่วนะ ถึงตัวเองจะตายก็ไม่ทําความชั่วพระโสดาบันรักษาศีลบริสุทธิ์เอจะไม่ทําความชั่วแต่สิ่งนี้นที่เป็นความชั่วแล้วพระโสดาบันีจยห้ามเด็ดขาดเป็นอัตโนมัติในใจเลยจะไม่ทําสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายนี้ท่านก็ขึ้นไปบนเกาะแต่ในช่างตัดผมคนนั้นก็ฆ่าพวกสัตว์พวกอะไรกินแต่อุบาสกเขาไม่ยอมกินมีแต่ ต, ตั้งกิจแน่วแน่เออฆ่าพรเจ้าจะ ออกไปได้ยังไงจากเกาะนี้ท่านกราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในไตรโล ก, กาธาตุขอให้มาช่วยข้าพระเจ้าด้วยเธินข้าพะเจ้าตกตาอับแล้วคราวนี้นะเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าถ้าเราได้สร้างสังสมบูรณ์กุศลไว้แล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาไว้แล้วถึงขราวคับขัน บุญกุศล่ะจะมาช่วยเราบุญกุศลจะมาช่วยใ น, ในเมื่อยามคับขันแต่นี้อุบาสกคนนั้นเขาก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้แต่มาคราวนี้มันข่าวคับขันน่เมันไปนอยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วมิตรไม่รู้จะไปที่ไหนอยู่ในกลางมหาสมุทรเรือก็ไม่มาแต่นี้เขาก็มีตั้งจิตอธิษฐานแล้วล้ำลึกถึงบุญกุศลที่เขาได้ทํามาไว้ในอดีตขอให้มาช่วย ข้าพเจ้าด้วยความขับขันจำเป็นนี้ด้วยเทินก็ร้อนถึงพญานาคในที่รักษาเกาะพญานาคเห็นอย่างนั้นก็เลยดิเลมิตตนเป็นเรือใหญ่เป็นเรือเป็นเสากระโดงมาพอมาเขาก็ประกาศเออคนในเกาะ น, นี้มีใครอยากจะไปสมผูทวีปไหมไปเมืองไปเมืองคนไหมอุบาสกคนนั้นก็มีข้าพเจ้าอยากจะไปมีคนโดยสาร เรือท่นนก็เข้ามาพอเข้ามาเทวดาที่รักษาเรือคือพญานาคเป็นเรือเทวดาเนี่ยเป็นผู้รักษาเรือนั่งมาด้วยตอนนี้พออุบาสกขึ้นเรือท่านั้นเขาไม่ให้ในช่างกันบกในช่างตัดผมขึ้นไปด้วยเทวดาห้ามไม่ให้ขึ้นอห้ามไม่ขึ้ น, นอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าโอเ อ, อช่างตัดผมคนนี้ก่อนที่จะลง ทำมาค้าขายภรรยาของมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลถ้าข้าพเจ้ากลับไปแล้วสามีของเขาล้มหายตายจากเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็ทํากรรมที่ไม่ดีคือฆ่าสัตว์เอาเถอะบุญกุศลของข้าพเจ้าที่เดบําเพลนมามามากต่อมากออันนี้สงทานอันนี้สงศินอันนี้สงภาวนา อะไรสงขุนงามความดีทั้งหลายทั้งมวลข้าพเจ้าขอแบ่งให้ในช่างกันบกคนนี้แห่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาเอาขอแบ่งให้อุบาสกในช่างตัดผมคนนี้ขอให้บุญกุศลเข้าไปอยู่เป็นของเขาเทวดาเห็นเห็นเห็นว่าเขาเป็นผู้มีบุญอีกเหมือนกันเพราะอุบาสกคนนี้แบ่งบุญให้เขาก็รับจากนั้นขาเอ้าขึ้นมา ขึ้นไปเรือลำนั้นพอไปถึงเรือเรือก็วิ่งเขาไปหาฝั่งจากนั้นก็ไปส่งถึงบ้านก็พร้อมกับเงินคำทรัพย์สมบัติที่เขาต้องการวาสุคนั้นก็เป็นคนร่ำรวยขึ้นมาให้กับในช่างตัดผมคนนั้นอันนี้ดูดูแล้วก็นิชาดกในเรื่องนี้ได้ว่าแ บ, บ, แบ่งแบ่งบุญแบ่งบุญให้ในในช่างตัดผม ถ้าเขาไม่ไม่ได้บุญจุดนี้ให้เทียวราคงไม่ไม่ให้ขึ้นเรื อ, เ, อเพราะมันเป็นเรือของพญานาค เ, เรือของผู้มีบุญนะแหมจากนั้นเทียวบุรุษคนนั้นอุบาสกคนนั้นแบ่งบุญให้อุบาสกคนนั้นนช่างตัดผมคนนั้นก็เลยได้บุญจากอุบาสกคนนี้นเอม่ก็เลย พ้นจากความตายพอมาถึงแล้วก็ อ, อยู่ในเมืองมนุษย์พระพุทธองค์ก็บอกว่าอุบาสกที่อุบาสกที่เป็นพระโสดาบันคนนั้นเข้าสู่นิพพานไปแล้วฉวนพญานาคเราเนคือคือเป็นเทวดาที่รักษาที่เป็นผู้ขับเรือพามาส่ง คือเราตถาคตเนี่ยในชาตินั้นเราเป็นเทวดาเนะนี่แหละพระพุทธองค์ท่านมีธรรมในใจเป็นเทวดาก็ยังมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนต่อผู้ที่ตกทุกข์ในยากนี่แหละอันนี้คือชาดกในเรื่องนี้พระองค์ปาราบถึงอุบาสกที่จะมาฟังพระธรรมเทศนา จากท่านท่านคนล้ำลึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่มียอยู่ในโลกนี่ตามพุทธานุภาพเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเอันในสงทานอันในสงสินอันในสงภาวนาอันในสงปฏิบัติธรรมทั้งหลายของพวกเราเนี่ยไม่ไปไหนถ้าพวกเราขับขันหรือตกทุกข์ได้ยากอย่างไรหรือทุกวี่ทุกวันก็เถอะนะ แต่ถ้าเราปราฏิหาริย์เออข่าวนี้ข้าพเจ้าตกพุกได้ยากข้าพเจ้าตรงการมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขชีวิตของข้าพเจ้าขอบุญกุศลมาช่วยเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าด้วยเทินให้ลำลึกถึงบุญบา ร, รมีของตนเองลำลึกถึงบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ สิ่งเหล่านั้นก็จะเกื้อกูลหนุนมันเป็นพลังทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในหลักของพระพุทธศาสน า, าแล้วถ้าไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเพาสิ่งเหล่านั้นไม่มีมีพุท ธ, ธานุภาพเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้การสั่งสงคุณงามความดีนะไม่ไปไหนความชั่วคงเหมือนกันถ้าเราทำกรรมชั่วมากๆเพื่อสิ่งที่มันไม่ดีความชั่วนั่นแหละ มันจะผักดันไปในทางต่ำไปทางทุกขติปปรารถนาดีก็ได้มันเอาดีไม่ได้เพราะไอ้แด่พวกกรรมชั่วมันให้ผลมันผักดันเราไปสู่ทางที่หายนะเพราะเ้าเราทำกรรมชั่วเอาไว้เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเน้่ยนี่แหละให้สั่งสมบา ร, รมีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าใจของเรามีบุญมีกุศลแล้ว ไปอยู่นจะสถานที่ใดตกพ้สถานที่ใดดีทั้งหมดนะแล้วันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการภาวนาเบื้องต้นนี่แหละเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญในหลักของพระพุทธศาสนาให้ไหวพระแองย่อหรือพิจารณากระสุดแท้แต่แต่ว่าก่อนที่จะภาวนาให้แผ่เมตตาในี่แหละสำคัญ อย่างนั้นก็ให้บริกรรมพุโทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธพยายามนั่งให้นานบังคับตั้งนาฬิกาไวลาก็ไไ้ใหม่ๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงบังคับให้อยู่ ต, ต่อไปยังค่อยอไม่ต้องตั้งนาฬิกาก็ได้เพราะเรานั่งภาวนาไม่ได้เอาเวลานาทีเราภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ แต่ใหม่ๆเนี่ยเรานั่งภาวนาเนี่ยเราต้องบังคับใส่นาฬิกาไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นมันทะเลถลายไปได้ง่ายๆถ้าเรานั่งบังคับใส่นาฬิกาเอาสามสิบนาทีนะมันก็จะได้สามสิบนาทีเอายี่สิบนาทีนะเป็นอย่างน้อยถ้าไม่ถึงยี่สิบไม่ออก่ะต่อไปก็ได้ต่อไปก็ได้สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นการนั่งภาวนาไม่ใช่ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ให้ใครนะเอาพลังเอาพลังพุทธานุภาพทำมานุภาพอาานุภาพบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราถ้าใจของเรามีพลังแล้วอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสุขเชื่อมั่นในตนเองไม่ววาเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าอย่างที่ตรงพอได้พูดนะจูตามลําพังก็เชื่อมั่นในตนเอง ยึดปกติเจ้าพระธรรมพระสงค์อยู่ในจิตในใจเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรามาเกิดเราไม่ได้แบกใครมาเกิดด้วยเรามาเกิดคนเดียวเวล้วเราตายเราจะแบกใครไปด้วยเราก็ไปคนเดียวเหมือนกันบุญกุศลน่าจะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราทำบาปกับบาปนั่าจะเป็นเพื่อนสองเป็นผู้พานําเราไปสู่ทุกขติถ้าเราทำบาปนะถ้าเราทำบุญกับบุญนี่แหละจะเป็นเพื่อนสอง พาเราไปสู่สุขคติไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยฐานะดีแตจากนั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นเพราะคนคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินติดกระเป๋าแล้วไปที่ไหนซื้อของได้ทั้งนั้นถ้าคนไม่มีเงินติดกระเป๋าแล้วนี่พวกเราจะไปหวังอะไว่าความสุข เพอๆไปหาอาหารกินไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปหาเขียยถังขยะเขากินนะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเงินจะทํำยังไงคนไม่มีบุญกับลักษณะนั้นเพราะนั่นแหละพวกเราอยาประมาทให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนยังไงให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลคือไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ทานรักษาสิ่งจากนั้นก็ดูแลปฏิบัติพ่อแม่ ผู้มีวัยวุธคุณวุฒิให้เคารพให้สั่งสมบุญคุณสนเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนั่นแหะบาปคืออะไรคือลังแกฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมโกหกดื่มสุราอันนี้และตัวแ้กจะเป็นความชั่วจากนั้นก็ไม่รู้จักพระคุณของบิดามารดาไม่รู้จักวัยวุธคุณวุฒิ ประราชตีเสมอไปหมดเป็นคนแข็งกระด้างอะไรเราก็เห็นเห็นคนชั่วคืออะไรถ้าเราคนดีคืออะไรเราต้องศึกษาถ้าเราศึกษาเราจะรู้ได้เลยว่าคนดีนะั่นคือใครยังไงยังไงที่ทําดีทําชั่วนะั้นทํำยังไงเยเราจะแยกออกแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาแล้วเราจะแยกไม่ออกเหมือนกันนะเหมือนเผ่คน ไม่ได้เรียนหนังสือเลยจะไปอ่านออกเขียนได้ยังยไงเพราะอะไรเพรไม่ได้เรียนแต่ถ้าเราเรียนเราจะรู้ได้เราอ่านออกเขียนได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าอันไหนดีอันไหนชั่วเราแยกได้เพราะนั้นเราต้องศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังครั้งนั้นบางครั้ ง, งนี้บางจากนันกลงมือประพฤติปฏิบัติ เมือ่อเมื่อลงมือประพปฏิบัติแล้วคุณงามความดีก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราก็จะได้วางตัวถูกอันนี้คือบาปนะอันนี้คือบุญอันนี้คือคุณอันนี้คือโทษอันนี้ควรจะคิดอันนี้ไม่ควรจะคิดไงแหมมันอยู่ในใจิตใใจของเราเนแะี่ยพวกเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วนะต่อนนี้ไปนั่งสมาธิณนะทีนี้นะ